มาขึ้นปัญหาข้อที่14เนี่ยนะถามว่าบารมีเนี่ยให้สำเร็จประโยชน์โดยการไหนคือคือเมื่อไรเนี่ยนะบารมีจึงจะสำเร็จทำอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนท่านบอกว่าอัตถคถาทั่วไปอย่างเช่นในสุตตานิบาตเขาบอกกำหนดอย่างต่ำในสีอสงไขยแสนมหากับอย่างปานกลางแปดอสงไขยแสนมหากับ สูงสุดก็สิบหกอสงไขยแสนมหากรัพที่เป็นอย่างนี้ก็มีความต่างกันเนยนะต่างกันจากการปฏิบัติว่าถ้ายิ่งด้วยปัญญาปัญญาทิกะเนี่ยอธิการแล้ว่ายิ่งถ้ายิ่งด้วยปัญญาก็ใช้เวลาน้อยหน่อยถ้าศรัทธาธิกะยิ่งด้วยศรัทธาก็ปานกลางถ้ายิ่งด้วยความเพียรก็อันนี้ใช้เวลา น, านานอธิบายว่าจริงอยู่ศรัทธาอ่อนปัญญาแก่กล้า คือหมายความว่าทําทุกอย่างปัญญานําหน้าไม่ใช่เอาศรัทธาเข้าว่าแต่เอาปัญญาเข้าว่านี่นะย่อมย่อมมีแก่ผู้เป็นปัญญาที่กะปัญญาปานกลางปัญญาเนี่ยกลางแต่ศรัทธานี่มีกําลังแต่ว่าปัญญาเนี่ยระดับกลางพวกนี้ก็พวกศรัทธาธิกะถ้าปัญญาไม่มากปัญญาไม่มากแต่ความเพียรเนี่มีกําลังพวกนี้วิริยาที่กะ อันนึงเพ่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอนุภาพแห่งปัญญาตอนแรกเนี่ยนะจะปฏิบัติปัญญานําหน้าสัพทานนาหน้าความเพียร น, นําหน้าก็ช่างเถอะแต่จะตรัสรู้ตรสรู้วยปัญญาเหมือนกั น, นนะเพราะปัญญานี้เป็นเหตุให้สําเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าต่างที่ความเพียรถ้าเพียรมากบรรลุเร็วครับเพียรปานกลางก็บรรลุปานกลางถ้าเพียรอ่อน ก็บรุชช้าพราวอยู่ที่อนุภาพของความเพียรแต่ตรงนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วต่างการที่ทำเป็นเครื่องบ่งมวิมุตประมาณนั้นคนระเพราะว่าโพธิสมภารทั้งหลายถึงความบริบูรณ์แห่งบารมีเหล่านั้นโดยต่างกันตามเวลาที่พูดคือถ้ามีปัญญามากเสียสงขัยแสนกับถ้ามีศรัทธามากแอสงขัยแสนกับถ้ามีความเพียรมาก16อสงขแสนกับเนี่ยนะ ที่จริงเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะความแก่กล้าความอ่อนความปานกลางแห่งทำเครื่องบ่มมีมุตต์อยู่ที่คุณธรรมที่บ่มการตรัสรู้มากกว่า น, oui, นั่นนะถ้าถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยทำเป็นเครื่องบ่มมีมุตต์ <c oughs> ก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาก็คืออินทรีห้านั่นแหละเป็นเครื่องบ่มมีมุตต์ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าความต่างกันเนี่ยอยู่ที่ทําเป็นเครื่องบ่มมีมุตต์ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา หรืออินซีห้าเป็นเครื่องบ่ง ม, มิมุตเนี่ยถ้าอินซีห้าแก่กล้าก็ตรัสรู้เร็วถ้าอินซีห้าอ่อนก็ตรัสรู้ช้าถ้าปานกลางก็ตรัสรู้ระดับกลางด้วยอาการอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมมีสามส่วนในขณะแห่งอภินิหารโดยความต่างการแห่งอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคล จริงแล้วท่านบอกว่าต่างกันว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่3ากลุ่มนะอุคติตันยูตรัสรูเร็ววิปัญจิตันยูก็ปานกลางในยะก็ช้าหน่อยนะในสมอย่างนั้นยกตัวอย่างว่าผู้ที่ฟังคาถาสี่บทต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่จบคาถาที่สเป็นผู้มีอุปนิสัยสา ม, มารถบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภินญาหและปฏิสัมพิทาสเป็นอุคติตันยู ถ้าหากว่าน้อมไปในสาวโกะโพธิญาณพวกนี้อย่างสมมติราคาถาสีบรรทัดเนี่ยนะคาถาสีบรรทัดเนี่ยเรียว่ามันมีอยู่สี่บทสี่บาทอต่นะสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาสมมติว่าถ้าเรียงมาแล้วสมมติวสี่บรรทัดเนี่ยบรรทัดที่สามยังไม่จบเลยบรรลุแล้วของเรานี่ไม่ใช่แน่นอน น, อนะดูถ้าจะว่าบรรทัดเลยเอาเปไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มนะแล้วก็ยังยังก็เออรู้สึกเข้าใจขึ้นน่ะนะเนี่ยแค่นะั้ แต่ก็ดีแล้วล่ะนะแต่ว่ามันอืหตอนนี้แหละให้เห็นว่าไม่ใช่อุคติมห่างอุคตินานแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอานิจจาวตาสังขาราอุปาทวายธรรมิโนฟังมาตั้งกันเล็กกน้อยแล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยก็แสดงว่าอ่อนมากๆเลยนะมันไม่ใช่อุคติตันยูแล้วล่ะเชื่อเหะอพันผู้ที่มีอุปนิสัยอุคติตันยูเนี่ยนะฟังแค่สักสองบรรทัดครึ่งว่างั้นเถอะสองบรรทัดครึ่งนี้ก็บรรลุแล้วว่างั้นเถอะ ถ้าหากว่าปรารถนาจะบรรลุนะเพราะนั้นพวกพวกนี้ยถ้ามาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพวกพวกนี้อย่างอย่างท่านสุเมศเนี่ยนะถ้าท่านฟังพุทธพจน์นะฟังสองบรรทัดครึ่งท่านบรรลุแต่ท่านไม่ฟังไม่ไม่น้อมไปเพื่อฟังเพราะท่านน้อมไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นปัญญาขนาดนี้พื้นฐานขนาดนี้พวกนี้เนี่ยสี่อสงไขยแสนกับจึงจะได้บรรลุเนี่ยนะฉลาดขนาดนี้นะ ต้องใช้เวลาตั้งสี่สงไขแสนกับส่วนประเภทที่สองฟังคาถาสี่บทต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่จบคาถาบทที่สี่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอาหารพร้อมด้วยอภินยาหกปฏิสัมพิทาสี่ถ้าหากว่าท่านน้อมไปในสาวกโพธิยันคือฟังเนี่ยนะบรรทัดที่สี่ยังไม่จบเลยบรรลุเลยพวกนี้ถ้าสร้างบารมีพวกนี้จะเป็น วิปปัญจิตันยูเนี่ยนะวิปปัญจิตันยูเพราะว่าถือว่าปัญญาระดับกลางส่วนผู้ที่บุคคลประเภทที่สามฟังสี่บทต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจบคาถาแล้วมีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภินิยาหกต้องต้องจบสี่คาถาบริบูรณ์ว่า ง, งั้นเถอะจึงจะบรรลุได้พวกนี้ถ้าสร้างบารมีจะเป็นนัยยะบุคคลเนี่ยนะแต่ถ้าคิดไปนะแค่สี่บรรทัดเองอะ่ะ ของเราสี่บรรทัดคูณแสนมันก็เลยมันห่างกันมานะถ้าอย่างเนี้ยผู้ที่จะสร้างบารมีสิบหกอสงไขยแสนกับเนี่ยจะต้องสี่บรรทัดฟังสี่บรรทัดจบแล้วถ้าเป็นผ้าอาหารได้ถ้าเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนั้นนะนับตั้งแต่วันนั้นอ่ะอันเนี้ยสิบหกอสงไขยแสนกับโอ้ยได้นับถือท่านผู้มีบุญอย่างนี้ก็ดีใจแล้วพระโพธิสัตว์สามจำพวกเหล่านี้เว้นความต่างแห่งการ การเวลาเนี่ยนะเว้นจากการสั่งสมบุญญาพิณิหารเว้นจากการได้รับพุทธพยากรในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาโดยลําดับบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตามการมีประเภทที่กล่าวมาแล้วคือหมายคำว่าถ้าเป็นประเภทถ้าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แบบอุกติตันยอยู่พวกนี้จะต้องสั่งสมบุญญาที่การนับตั้งแต่วันได้รับพยากรณ์มาเลย สี่อสงไขยแสนกับถ้าเป็นวิปัญจิตันยูสร้างบารมีนับตั้งแต่วันนั้นอะวันที่คิดว่าบรรลุได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนั้นมา8ดอสงไขยแสนกับถ้าเป็นนัยะบุคคล น, นับตั้งแต่วันถ้าจะบรรลุวันนั้นเนี่ยก็16อสงไขยแห่งแสนกับเมื่อประเภทแห่งเวลาตลอดระยะเวลาสอสงไขยหรือแปดอสงไขยหรือ16อสงไขยเหล่านั้นยังไม่บริบูรณ์ถ้าไม่เต็มตามนั้นนะ พระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะให้ทานเหมือนกับพระเวสสันดรทุกวันก็ตามจะสะสมศีลบารมีทั้งปวงให้มันเกลี้ยงเลยก็ตามหรือจะมหาบริจาคทั้งห้าสละทรัพย์ราชสมบัติอวัยวะสละชีวิตบุตรภริยาจะทำยังไงก็ตามทำยาตัฐธจริยาโลกะทจริยาพุทธจริยาให้ถึงที่สุดอย่างยิ่งจกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระวาง ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อย่างบางแห่งเขาพูดบอกว่าเออเนี่ยได้รับพยากร์มาแล้วสามสิเออสงไขยจบับบรรลุแล้วบอกไม่ใช่หรอกเนี่ยนะอันนี้รู้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในคําสอนเนี่ยนะเขามีบางแห่งก็บอกว่าออบางท่านนะได้รับพยากรณ์มาแล้วสามสิบกว่าสงไขยเนี่ยนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าตามคําสอนก็กล่าวว่าจะต้องเท่าไหร่ แปอสงไขยสี่อสงไขยแสนกับ8ดอสงไขยแสนกับหรือ16อสงไขยแสนกับจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ถึงในระหว่างนั้นก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะพยายามด้วยความอุตสาหะทั้งหมดจะบรรลุในระหว่างก็ไม่สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสาเร็จด้วยกาหนดตามการที่กล่าวแล้วได้ เหมือนอะไรดุดข้าวกล้าสำเร็จตามที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นถ้าจะสำเร็จจะต้องสำเร็จตามเวลาที่กำหนดความบริบูรณ์แห่งบารมีย่อมสำเร็จด้วยการวิเศษตามที่กล่าวมาแล้วนี้